สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระูตตอนที่สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเรื่องครอบครัวครั้งที่สองพระเน้าของพระเจ้านะครับก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับเมื่อวานนี้คือในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบบทที่สิบเก้านะครับแต่ผมอยากจะเน้นในข้อที่สี่ครับเป็นต้นไปโปรดฟังพรเจ้ของพระเจ้า พระองค์ตัดตอบเขาว่าพวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเพราะเหตุนั้นบุรุษจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับพันยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันเขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทําให้พรากจากกันเลยงครับ พอได้ยินวลีสุดท้ายนะครับว่าเขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทําให้พลาดจากกันเลยคุ้นๆใช่ไหมครับในงานแต่งงานหรือพิ ธ, ธีสมรสครอบครัวนั้นพระเจ้าได้สร้างขึ้นมานะครับเมื่อพระเจ้าแรกเริ่มสร้างมนุษย์พระเจ้าสร้างให้เป็นชายและหญิงมีแค่สองเพศเท่านั้นครับไม่มีเพศที่สาม ในขณะเดียวกันครับก็ได้พูดถึงบุรุษจะต้องละบิดามารดาของตนมีความหมายว่าไม่ใช่ทิ้งนะครับแต่บุรุษนั้นกําลังจัดลาดับความสําคัญเรียงลําดับความสําคัญก่อนหลังใหม่ครับว่าครอบครัวใหม่ของเขาก็คือภรรยาของเขานั้นนะครับเขาจะต้องให้ความสําคัญมาเป็นอันดับต้นหรืออันดับแรกๆนะครับแทนบิดามารดา พียงครับหลายหลายครั้งในวัฒนธรรมของชาวตะวันออกเรารับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าพ่อแม่นั้นเป็นการผูกพันทางสายเลือดนะครับในขณะเดียวกันก็ถือว่าชายหญิงผูกพันกันเป็นแค่สามีภรรยาเด็กๆนั้นผมเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดอย่างนี้นะครับว่าภรรยามีได้หลายคนแต่แม่มีได้คนเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือ คำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษที่สอนให้ความกระตันอยู่ให้เกิดความกระตันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในสังคมแบบนั้นคนที่เป็นลูกสะใภ้หรือคนที่เป็นภรรยานั้นก็ถูกข่มเหงครับเพราะเหตุที่เขาไม่สามารถที่จะรักษาธรรมบัญญัติที่พระเจ้าตั้งไว้เขาไม่ได้ละบิดามารดาของตนเขาไม่ได้วางบิดามารดาของตนนะครับมาเป็นเบอร์สอง นะครับและให้ภรรยามาเป็นเบอร์หนึ่งนี่คือ น, น้ํามัธยของพระเจ้าครับเพียงครัพบพระคัมภีร์ตอบตอบต่อไปว่าขา้าวังสองนั้นจะเป็นเนื้อเดียวกันนั่นหมายความว่าแม้ว่าเขาจะมาจากคนละทิศคนละทางแต่การผูกพันของพระเจ้าจะประสานเขาให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันคําว่าเนื้อเดียวกันนั้นมีความหมายในข้อที่หกว่าเขาจึางไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันและนี่คือการผูกพันจากพระเจ้าครับ เป็นนครับการเป็นเนื้อเดียวกันนั้นมีความหมายนะครับในภาษาฮีบรูก็คือการที่ติดกันครับการว่าติดกันเนี้คือว่าเหมือนกับกระดาษสองแผ่นมาติดกันครับโดยใช้กาวเมื่อติดกันเรียบร้อยแล้วกาวแห้งแล้วเราไม่สามารถแยกเข้าออกมาได้หากคืนฝืนที่จะแยกเข้าออกมามันจะกัดกินเนื้อของกันและกันเหมือนกับกระดาษนะครับถ้าฝืนจะฉีกออกมา นะครับมันก็จะขาดแล้วมันก็จะรุ่งริ่งมันก็จะไม่ค่อยเหลืออะไรที่ใช้การได้ต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงการหย่าล้างภรรยาในพระกัมภีเดิมที่คนกลุ่มหนึ่งพยายามตีความหมายนะครับของธรรมบัญญัติของโมเสสว่าผู้ชายจะหย่าภรรยาได้ถ้าเธอปล่อยผมหรือพูดคุยกับชายอื่นหรือทาขนมปังไหม้หรือทำอาหารเค็มไม่อร่อยนะครับหาเหตุที่หยหยาได้หมด แต่จริงๆแล้วท่าทีในการที่หาเหตุหย่าหรือท่าทีหรือความต้องการจริงๆปัจจุปบันของการหย่าคือต้องการที่จะแต่งงานใหม่พี่น้องครับพระเยซูนะครับรู้ว่าคนเหล่านั้นที่พยายามจะมาถามเรื่องนี้เขามีที่เด่นอเจนด้าหมายความว่ามีวาระซ่อนเร้นที่ซ่อนอยู่เพื่อที่เขาจะโจมตีพระเยซูครับพราะเจ้านาของพระเจ้าได้กล่าวว่าหลังจากที่พระเยซูได้ สอนฝูงชนมีคนติดตามพระเยซูเยอะแยะพระเยซูรักษาโรคนะครับผู้เขียนนะครับพระกมพีทั้งมราระโกมัทธิวนั้นทั้งสองท่านก็กล่าวว่ามีกลุ่มพอลิสีมาเพื่อจะทดลองพระเยซูบุคคลเหล่านี้มาจากกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในระบบศาสนาของคนยิวครับและจุดประสงค์ที่มาถามพระเยซูก็เพื่อจะทําลายชื่อเสียงของพระองค์เพื่อที่จะขุดลุ่มเป็นกับดักให้พระเยซูตกลงไปเขาถามว่า การหย่าภรรยาของตนเป็นการถูกต้องตามคำว่บัญญัติหรือเปล่านะครับพระเจ้าพระเยซูก็โต้อตอบนะครับพูดคุยกับเขาพระเยซูอธิบายในข้อที่ห้าชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงและให้บุรุษนั้นรับบิดาบรรดาถูกผันนั่นหมายความว่าชายหนึ่งหญิงหนึ่งครับนะครับไม่ใช่ชายหนึ่งหญิงสี่ครับหรือชายหนึ่งหญิงเท่าไรไม่รู้ อันนี้คือน้ำมัไทยหลักของพระเจ้าครับในขณะเดียวกันครับคำว่าผูกพันก็คือการผูกกันการติดกันของสิ่งของสองอย่างอย่างเหนียวแน่นนะครับที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับส่วนมากก็ใช้กับเป็นเครื่องหมายแทนกาวหรือปูนซีเมนต์นะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงถาววของชีวิตสมรสพี่น้องครับมารโกกล่าวว่าพระเยซูได้เสด็จเข้าไปในเรือนพร้อมกับสาวกสาวกอยากให้พระเยซูอธิบายมากกว่านี้ เยซูก็เลยอธิบายให้ฟังมากขึ้นว่าถ้าผู้ใดหย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ผู้นั้นก็ผิดประเวณีต่อภรรยาเดิมแต่ถ้าหญิงเองจะหย่าสามีของตัวเองแล้วก็ไปมีสามีใหม่หญิงนั้นก็ผิดประเวณีเหมือนกันที่นั่นครับสังเกตนะครับว่าพระเยซูชี้เห็นว่าหญิงก็สามารถหย่าสามีได้หากสามีผิดประเวณีไม่มีกฎบัญญัติข้อใดในพระคัมภีร์เดิมที่ให้โ อ, อกสาสเช่นนี้แก่ผู้หญิง แต่นี่เป็นหนึ่งในหลายๆตัวอย่างในพระคัมทีใหม่ที่พระเยซูยกฐานะของผู้หญิงและเน้นสิทธิความเสมอภาคของผู้หญิงครับแม้แต่กฎของโรมันก็ยังบอกว่าผู้หญิงนะครับเสนอขอหย่าได้มัทธิวบทที่สิบเก้าข้อที่สิบบอกว่าพวกสาวกสรุปว่าถ้าลักษณะสามีพัญญาเช่นนั้นไม่เป็นสามีพัญญากันเลยก็ดีกว่าทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพวกเขาเติบโตขึ้นในวัฒนธรรมที่การหย่าร้างเป็นที่ยอมรับในสังคม รับดีคนหนึ่งนะครับเขียนไว้ว่าหากชายคนนึงมีภรรยาที่ไม่ดีก็เป็นหน้าที่ของศาสนาที่จะให้อย่าร้างเธอได้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่พวกเขาสังเกตเห็นกับคำสอนของพระเยซูนั้นมีมากมายครับพระเยซูทรงสอนคำสอนของโปรงมเอกลักษ์นะครับมีจุดเด่นและมีความถูกต้องสูงสุดครับและชายชาวยูเป็นมากมองดูชุดแต่งงาน นะครับเขาก็มองเพียงแต่ว่าเป็นเพียงวิถีทางหนึ่งของความพึงพอใจทางเพศและการสร้างลูกหลานเท่านั้นเองเซซูอธิบายต่อไปนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่จะ ย, ยอมรับคําสอนเรื่องการแต่งงานได้พระองค์ยกตัวอย่างบุคคลสามประเภทครับที่สามารถอยู่เป็นโสดได้สําเร็จประเภทแรกก็คือผู้ที่เป็นขันทีแต่กําเนิดประเภทที่สองก็คือผู้ที่ถูกกระทําให้เป็นขันทีตั้งแต่เด็ก ประเภทสุดท้ายก็คือผู้ที่ปฏิเสธการแต่งงานและเลือกที่จะถือฟรร้องมัดจำเป็นโสดพี่น้องครับพวกเขาคิดว่าการแต่งงานนะครับอาจจะแบ่งความสนใจในการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาของเขาไปด้วยด้วยเหตุ น, นี้พี่ผู้ที่สามารถผู้ใดที่สามารถอยู่เป็นโสดได้นะครับก็เลือกีจะทำอย่างนี้แทนที่จะทําตามแผนการของพระเจ้าในธรรมดการเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับหลายหลายท่านสละ สละการแต่งงานนะครับและใช้ชีวิตเป็นโสดเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่พระเจ้าจะทรงนําอนุชนในกครกอดรจากของเราของทุกๆกท่านกครือดีรจากทุกท่านและพี่น้องที่ยังเป็นโสดอยู่ซึ่งตั้งใจว่าจะไม่แต่งงานอีกแล้วขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะแสวงหาธรรมไทยของพระเจ้าส่วนตัวที่เราจะรับใช้พระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงพอพระทัย อย่างที่จะเกิดผลมากถาวายแด่พระเจ้าอย่างที่พระเจ้าสมดังความตั้งพระไทยของพระองค์ที่ให้เราเป็นโสดและเป็นของประธานครับพี่น้องนะครับเป็นของประธานพิเศษสําหรับพี่น้องหลายคนที่เป็นโสดครับขอพระเจ้าไว้พรพรและขอให้ครอบครัวทุกครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้การทรงนำของพระเจ้าตลอดไปอาเมน